พระธรรมเทศนาแผ่นที่94าลำดับที่17โดยหลวงพ่ออินถวายแซนตุสโกวัดป่านนาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่26พฤษภาคม2559มีชื่อเรื่องว่าสมาธิดูแลใจมีอะไรหลวงพ่อจะพูดให้ฟังนะัการณจัาญาติโยมนะ อยู่ในความสงบเลยเวลาพูดสนทนาคุยกันเราก็มีเวลาแต่เวลานี้เราทามาเพื่อทำให้จิตใจให้สงบสงบกายก็ ค, คือใจให้เน่งอย่ากระดุกกระดิกดถ้าไม่จำเป็นสงบวาจาคือเราจะไม่พูดไม่คุยกันสงบกายส ง, าสงบวาจาจากนั้นก็ใจของเราจะได้สงบ ตามลำดับเพราะว่ากายวายจาของเราไม่แสดงกับกิริยาใจของเราก็ถึงจะดุกติกกุริศต่อไปก็จะเข้าสู่ความสงบได้เพะฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมหมามงคลยิ่งหลวงพ่อเองก็ไม่คาดคิดว่าจะได้มาเพราะว่าโยมเสียอ๋อที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อไปขอมาหลวงพ่อ อยากจะมาพบมาเจอพี่น้องคณะสธาญาติโยมโลูกหลานอยู่เหมือนกันนั่นแหละ เ, เพราะว่าไปต่างคินต่างแดนเราก็ไปแล้วก็าวกชาวอุดรของเราเนี่ก็น่าจะเป็นกลุ่มเป็นชมรม เ, เป็นชมรมพุทธโลเป็นชมรมที่พวกเราจะได้อบรมคณะสธาญาติโยมพี่น้องลูกหลานของเราให้เขามาสู่ศีลธรรมจริยธรรมที่ดี วันนั้นถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลวันนี้เป็นวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2559ที่หลวงพ่อได้มาณนะโรงแรมเจริญโฮเตลนห้องประชมุมแห่งนี้เห็นศรัทธาญาติโยมพี่น้องลน้นดูกหลานล้นหลามทางผู้สูงอายุทางน้อยหนุ่มเห็นแล้วก็น่าปลิ้มใจ ถ้าเป็นได้ลักษณะอย่างนี้หลวงพ่อว่าจะเป็นเครื่องอบอุ่นทางด้านจิตใจถ้าพวกเราสอนลูกหลานของพวกเราก็สอนไปเรื่องศีลเรื่องธรรมลูกหลานต่อไปภายภาคหน้าก็จะเป็นรู้จักบุญคุณของบิดามารดาผู้สูงวัยแล้วก็เป็นเดินตามหลังกันไปเรื่อยๆ ความร่มเย็นสงบพร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในชุมชนของพวกเราแต่ว่าพวกเราไม่ปลูกฝังอุปนิสัยของลูกของหลานของพวกเราเราไม่ได้ทำตัวอย่างให้เขาเห็นลูกหลานของเราก็ไม่รู้จะเดินยังไงใหญ่ขึ้นมากะแข็งกระด้างอย่างพวกเราเห็นคนต่างชาติต่างภาษาอย่างนั้นละ่ะวัฒนธรรมมันวัฒนธรรมมันแปลกแตกต่างกันแต่เมื่อพวกเราเป็นผู้สูงอายุเป็นผู้สูงวัย นำพาลูกพาหลานทำตัวอย่างให้ลูกหลานเขาดูอยากจะให้ลูกหลานพวกของเราดีลูกหลานของเราดีแล้วก็ต้องทำดีให้ลูกหลานของเราดูไม่ว่าทุกระดับชั้นอยากหลงพ่อกเ็เหมือนกันอยากจะให้ลูกศิษย์หลวงพ่อดีหลวงพ่อก็ต้องทาศิษย์ทำตัวให้ลูกศิษย์ดูครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันถ้าอยากจะให้ นักเรียนของตนเองหรือนักศึกษาของตนเองเป็นคนดีครูบาอาจารย์ก็ต้องทำดีให้ลูกศิษย์ลูกหาของตนดูข้าราชการก็เหมือนกันทุกหน่วยทุกชั้นอยากจะให้ลูกน้องตนเอ ง, เองดีก็ตัง้ตงต้องทำดีให้ลูกน้องดูไม่ใช่ว่าอยากจะให้เขาดีแต่ตัวเองทำ อ, อ, อีกแบบหนึ่งมันจะลูกน้องจะดีได้อย่างไรเพราะนั้นวันนี้ถือว่า เป็นวันหนึ่งที่พวกเราได้มาร่วมมารวมกันมาใสายฟังสิ่งที่พระสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ปฏิบัติอยู่ป่ารงพงไพยไม่ใช่แต่หลวงพ่อองค์เดียวนะครูบาอาจารย์หลายหลายองค์ก็คงจะมาแสดงความคิดความเห็นให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาผู้ฟังยอมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟัง สิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจก็จะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นบรรเทาความสงสัยเสียได้ทำความเห็นให้ถูกต้องได้ขณะฟังจิตใจของผู้ฟังฟังหลักเหตุฟังหลักผลก็จะได้รับความสงบได้รับความข่องใสในการฟังสุตตะมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังถ้าเราพวกเราไม่ได้ยินได้ฟังเราจ ะ, ฉะเฉลียวฉลาดรู้จักธรรมะ รู้จักเรื่องเราที่พวกเราจะต้องศึกษาได้ยังไงเราต้องศึกษาสุตตะต้องได้ยินได้ฟังนั้นสุดตามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาให้ควรทบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วนั้นมีเหตุผลมากน้อยแค่ไหนไม่ใช่ฟังไปแล้วก็แล้วไปเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วเออนามาพิจารณากันกรองไตร่ตรองอีกรอบหนึ่ง จากนั้นก็ปัญญาก็จะเกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังนั้นภาวนามย์ปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทำจิตใจให้สงบจิตใจให้เป็นหนึ่งในเมื่อจิตใจผ่านความสงบจิตใจผ่านความเป็นหนึ่งจิตใจนิ่งแล้วน ะ, เ, ะเราทำนำจิตใจที่มันนิ่งนำมาพิจารณาเรื่องราวต่างๆคลี่คลายก็จะเป็นปัญญาที่แท้จริงเพราะนั้น ในหลักธรรมคาสอนของพุท ธ, ธ ะ, ะท่านอาศัยการได้ยินได้ฟังเป็นหลักสูส้สังและเตปัญญาผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาสรุปแล้วก็คือต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังเพราะนั้นคณะสัทยาย่านโจมใน้ฟังข่าวนี้ครั้งนี้แล้วเมื่อได้ยินครูบาอาจารย์องค์อื่นพูดให้ฟังองีกเราก็เข้าใจหรือ ว, ว่าเข้าครูบาอาจารย์องค์อื่นๆที่พูดให้เราได้ฟังได้ศึกษาแล้ว แต่เรายังไม่เข้าใจชัดแต่มาได้ยินหลวงพ่อพูดเออใช่เข้าใจในที่สิ่งที่เราอยากจะรู้ในเรื่องนั้นแต่ก่อนเราได้ยินอยู่แต่ว่ามันยังเครือบแคลงยังสงสัยแต่พอได้ยินคราวนี้เออหายสงสัยไปแล้วในเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังนั้นนี่แหละสรุปแล้วก็คือต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังหลายครั้งจากครูบาอาจารย์แต่วันนี้หลวงพ่อเองอยากจะ แนะนำเรื่องของสมาธิเพราะว่าพวกเราคงจะห่างเหนินเรื่องสมาธิเรื่องทานหลวงพ่อนีออ่ไม่ได้ตำหนิพี่น้องปร ะ, ประชาชนศรัทธาญาติโยมเต็มเปลี่ยงไปด้วยศรัทธาในการทำบุญทำทานไม่ใช่แต่อยู่ในเมืองไทยนะอยากหลวงพ่อไปอินโดนีเซียเมื่อกี้เนี่ยโอ้ คนมาใส่บาทที่ไต่โรงแรมใหญ่ของอินโดโคนเป็นพันอพอใส่บาทเข้าไปแล้วอาหารคงจะเป็นรถฉิบร้อวันนั้นนะจะแสดงว่าคนทำบุญทำทานจิตใจที่เป็นกุศลมีมากอยู่นะ เ, เพราะนั้นอย่างเมืองไทยของเราก็เหมือนกันหลวงพ่อเห็นไปที่ไหนไหนศรัทธาญาติโยมทำบุญทำทานล้นหลามแต่พอมามาพูดถึงเรื่องศีล น้อยลงแล้วนะที น, นี้แปลว่าขยานแต่แเรื่องศีล น, นะแต่ตามไม่จริงศีลก็คือกฎระเบียบการอยู่ด้วยกันการอยู่ร่วมกันถ้าพวกเราอยู่ด้วยกันถ้าไม่มีกฎไม่มีระเบียบพวกเราจะอยู่ด้วยกันอย่างไรเพราะบ้านเมืองไม่มีกฎหมายถ้าบ้านเมืองไม่มีกฎหมายใช่ทุกคนก็ไม่ชอบกฎหมายนะเพราะว่ากฎหมายเป็นการบังคับให้คนไปในทางทิศทางเดียวกัน แต่เราไม่ชอบแต่ถ้าว่าปล่อยให้ไม่มีกฎหมายอะไรพวกเรายิ่งทกกันใหญ่อีกเพราะว่าต่างคนต่างเบียดเบียนซึ่งกันละกันเพราะฉะนั้นศินก็เหมือนกันศินก็คื อ, คอกฎระเบียบการอยู่ด้วยกันสินพระพุทธเจ้าเป็นสินคุ้มครองโลกเป็นศินคุ้มครองโลกมาแต่แตดึกดําบรรณพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติสินสําหรับฆราวาสญาติยโยมอย่างพวกเราท่านทั้งหลายท่านก็ว่าเพียงศินห้าก็เพียงพอ ที่จะอยู่ด้วยกันร่มเย็นเป็นสุขได้ถ้าว่าผู้มีอุตสาหะวิริยะจะภาคเพียรทางด้าน จ, จิตใจก็รักษาศินอุโบสถรักษาศินแป เ, เป็นเนข่ข่ำเป็นอยู่ตามลำพังถ้าว่ามากกว่านั้นก็สมัมมเนนกับสินสิบถ้าปวดเข้ามาเป็นพระก็คือรักษาศิน้ี่อันนี้ก็คือตามขั้นตอนสุดแท้แต่เราจะรักษา แต่สําหรับคราวาสญาติโยมศินห้าของพระพุทธเจ้าเป็นสิลที่คุ้มครองโลกมาตั้งแต่ดึกดาบรรพ์พระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วว่าการอยู่ด้วยกันถ้าพวกเราอยู่ด้วยกันคิดฆ่ากั น, นสิคนนี้ก็คิดฆ่าคนนั้นคนนั้นก็คิดฆ่าคนนี้พวกเราจะหวังหาความสุขในการอยู่ด้วยกันได้อย่างไรเพราะอะไรเพราะว่าไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันไม่รู้ว่า มีจะมีอะไรเกิดขึ้นในกลุ่มในหมู่ในคณะกองหลับเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงวางกฎและเปียบประวัติวางสินให้ว่าปานาติป า, าตาอย่าคิดฆ่ากันนะถ้าพวกเราคิดฆ่ากันแล้วจะหาความสงบร่มเย็นเป็นจุกไม่ได้ในเมื่อเราไปฆ่าเขา เ, เราใช่ชาใจในการฆ่าเขาแต่เขามาฆ่าเราคนะ่ะฆ่าพี่น้องปู่ย่าตายายของเรา เราก็ทุกข์ใจอีกเหมือนกันเพราะอะไรเพราะเขามาฆ่าตระกูลของเรานี่แหละพราะพรุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วว่าการฆ่ากันไม่เป็นผลดีอธินาทานก็เหมือนกันเราไปขโมยของเขาขอมาขโมยของเราถ้าเราไปขโมยของเขาไปใช่เราได้ของเขาก็ดีได้ดีใจวันได้ของเขามาแต่เขาแตะทุกข์ใจถ้าเขามาขโมยของเราล่ะเราก็เช่นเดียวกันอีกเราก็ทุกข์ใจอีก นั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติศิลงข้อที่สองอยากขาโมยกันเน้ออยู่ด้วยกันให้มีเมตตาต่อกันมีน้ําใจต่อกันสิ่งข้อที่สากาเมจุมิชาจชาราเวรามาณีสามีภรรยาลูกหลานของใครของเขาเขาก็รักสงวนหวงแหนเพราะเป็นตระกูลของเขาถ้าเราไปล่วงล้ำเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาล่วงล้ำเราล่ะเราก็เสียใจเช่นเดียวกัน วนนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันอันนี้ก็คือศินข้อที่3ข้อที่4มุสาวาาเทวะมณีอยากโกหต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขาถ้าเราไปโกหกเขาต้มตุ๋นเขาหลอกลวงเขาเขาก็รู้สึกเขาก็เสียใจยถ้ามาเขาทํากับเราเราก็เสียใจยอย่างเขาเขียนกระดาษเขียนเช็คให้เราเป็นเช็คทดแทนแต่พอเราเอาเช็คไปขึ้นไม่มีเงินเรารู้สึกยังไง ถ้ามีเงินมากๆกเเราเสียรู้สึกเสียใจนั่นล่ะฟ้องร้องกันนะทีเพราะโกหกการโกหกกันการไม่ซื่อสัตว์ไม่สื่อตรงต่อกันหาความสุขไม่ได้อีกในชุมชนในสังคมนั้นๆเพราะนั้นให้อย่ากโกหกต้มทุนหลอกลวงกันแห่ข้อที่หสุราเมรยาดอย่าไปดื่มสุราและเมรัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทสุรากัญชายาฟินเฮโรอีนโคเคน มีมากทุกวันเลยแต่ถึงยังไงก็ตามถึงจะมีชื่อหรือไม่มีชื่อก็ตามแต่เราเสพและดื่มเข้าไปแล้วขาดจติตเมือนเมาขาดจติตไม่ดีทั้งนั้นแปลว่าผิดทั้งนั้นเออเมื่อดื่มเสพเข้าไปแล้วขาดจติตคนขาดจติตทาความชั่วได้ทุกอย่างเลยจะฆ่าใครก็ได้จะขโมยใครก็ได้ถ้าราบร่วงในสามีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้กโกหกใครก็ได้เพราะมันขาดจติตนี สินข้อที่หเนี่ยเป็นสินหลังคาบ้านเป็นหลังคาที่มุงบงังคนผู้ใดก็ตามถ้าขาดสติแล้วจะเป็นมียศถาบรรดาศั ก, สกส์สูงสงขนาดไหนล่ำรวยมั่งมีสีสุขขนาดไหนถ้าขาดสติเสอย่างเดียวขนาะเป็นบ้านเสอยงเดียวขนาดน่ะแปบลบว่าคนนั้นไร้คุณค่าไร้ประโยชน์ถ้าขาดมากมากนะเท่าขาดน้อยก็ เ, ออเสียเสียน้อยถ้าขาดมากก็เสียมาก ไร้ค่าไร้ประโยชน์อย่างมากนะเพราะนั้นสินของพกพกทธเจ้าให้พวกเราคณะสัตยาติโยมสํารวมระวังถึงยังไม่ได้ตลอดไปก็ให้ได้วันสำคัญวันเกิดของเราเออวันนี้ข้าพเจ้าเป็นวันเกิดของเราเราก็จะมาทานสิ่งนะพุทธทางธรรมมังนโมตตะก่อนนะนโมตตะภควะภควะโตสามจบ อย่างนั้นกับพุทธัทงทำมังสังขังยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งนาโมตัสสะข้าพเจ้าข อ, อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนีโมพุทธัทงทำมังข้าพเจ้ายึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งดูตียำปีรรปปำปข้าพเจ้ายืนยันเป็นครั้งที่สองจะยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งตาตียำปี ข้าพเจ้ายืนยันเป็นครั้งที่สาว่าจะยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมเป็นพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งนะ เ, เรายิดถึงสามครั้งนะจากน้นก็นปาณ า, า, า, า, านะติปาสมาทานนะปาณาอธินนากาเมมุสาสุราพอจบแล้วก็อิมานิปัญจาศิขาปทานิสัมมาธิยามิอิมานิปัญจาศิขาปทานิสัมมาธิยามิอิมานิปัญจาศิขาปทานิสัมมาธิยามิ อันนี้คือเราสมาทานศีลอยู่ในบ้านของเรานะไม่ไม่ได้ไปวัดถ้าช่วงไหนไปวัดก็เออไม่ว่ากันถ้าช่วงไหนไม่ได้ไปวัดเนี่ยเราอยู่ในบ้าน เ, นเราสมาทานศีลในบ้านเลยวันนี้เป็นวันเกิดของข้าเรียกว่าันเกิดของพ่อของแม่หรือว่าวันเกิดที่เรารักเคารพนับถือเลื่อมใสอย่างวันมรณภาพองค์หลวงตาอย่างนี้หรือวันไม่กี่วันข้างหน้านี่วันหลวงตาพาดํานเนินเปิดโลกธาตุอย่างนี้ล่ะ เออข้าพเจ้ามาได้ไปวัดหลงตาวันนี้ข้าพเจ้าจะสมาทานศีหา่าวันนี้ น, ะนี่แหละสมาธิามิอิมานีปาิปัญจ า, า, ญานี่ปัญจสิกขาประธานิสมาธิามิข้าพเจ้าขอสมาทานสีหา่าวันนี้นะแล้วก็เป็นศี น, นั่นแหละจากนั้นเราก็รักษาอะไรเสร็จรักษาสีหานี่นะวิธีการรักษาสีหามัยากนะคณะทาญาติโยมทุกๆ ท, ท, ท่านนะ วิธีการสมาทานสินง่ายนะถ้าเรารู้จักรู้เรื่องของการสมาทานแล้วจากนั้นหลวงพ่อจะเน้นหนักเรื่องสมาธิอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเรื่องทานเรื่องสินแต่เรื่องสมาธิเนี่ยพวกเราบางคนก่อนอาจจะยังไม่รู้เลยแต่าบางทีก็รู้อยู่แต่ไม่รู้จะทํำยังไงอพอทําเข้าไปก็เก้ะเกัะกางๆถูกหรือผิดก็ไม่รู้เพล่เพล่เขาบอกว่าคนภาวนาเป็นบ้าก็ามีอย่างนี้ ก็ เ, เลยเลยโกโกลัวกลัวในการทําสมาธิไม่ต้องกลัวถ้าเรียนจากพ่อก่อจากครูแล้วไม่ต้องกลัวนะถ้าเรียนจากเรียนจากพ่อก่อจากครูเดินตามหลังครูแล้วไม่ต้องกลัวนะถ้าวัดทำเอาเองบางทีอาจจะผิดผิดทุกๆก็ได้แต่นี่หลวงพ่อเองก็มั่นใจนะหลวงพ่อเนี่ยอินมั่นใจพ่อหลวงพ่อเรียนมาศึกษามาใหญ่กับพ่อก่อกับครูจริง เพออยู่กับองค์หลวงปูล่ลาตั้งแต่อายุ1112ปีเป็นเนน้อยอยู่กับหลวงปูล่ลาเป็นเวลาทั้ง8ปดปีท่านสอนอะไรอยู่ในป่านหงพงไพ่มีิจต้องเรื่องสอนเรื่อง เ, อเรื่องศีลสมาธิปัญญาจากนั้นพอเป็นพระขึ้นมาก็มาอยู่กับองค์หลวงตาอีกเป็นเวลา12บสองปีสิี่ปีอีกอตั้งแต่ปีสองพถึงสิถึงสองพี่สิบห้อยู่กับหลวงปู่หลวงตาตลอดมาอีก แล้วค็นี่ยหลวงพ่อก็มั่นใจว่าแนวแถวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นนี่ท่านสอนอย่างไรที่สอนสิทธิอนุสิทธิ์ของท่านจากนั้นหลวงพ่อก็เลยเดินเที่ยวทุกดวงมาอยู่กับหลวงปู่ฟั่นบังหลวงปู่ชิมมักหลวงปู่สิ้ยงทองหลวงปู่ขาวหลวงปู่บัวน้องแซงอยู่กับครูบาอาจารย์ได้ศึกษาเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองมั่นใจว่าการศึกษาของหลวงพ่เนี่ย จะมาแนะนําสั่งสอนพี่น้องประชาชนศรัทธา ญ, ญาติโยมสอนด้วยความมั่นใจในการเทศหรือว่าการอบรมใน MP ็สของหลวงพ่อเหมือนกันหลวงพ่ อ, พอได้อัดจเอ็มพีสแจกไปถึงหลาหลวงพ่อไม่กระดาษเพราะหลวงพ่อได้ปฏิบัติมาแล้วและก็ได้ผลมาแล้วจึงได้พูดใส่เอ็มพีสามและแจกให้คณะศรัทธา ญ, ญาติโยมสิทธิอนุสิ์ผู้ที่สนใจไฟธรรมะ ให้ไปศึกษาหลวงพ่อมั่นใจว่าถ้าพวกเรานำไปปร ะ, ประพฤติปฏิบัติเอาไปศึกษาแล้วจะเกิดประโยชน์สำหรับตนเองนี่แหละเพราะนั้นหลวงพ่อมั่นใจอย่างนั้นจึงได้บอกกล่าวให้กับคณะสัทยาญาติโยมที่หลวงปู่ล่าที่ท่านสอนหลวงพ่อแต่สมัยเป็นเนน้อยนะท่านบอกว่าเวลาขึ้นไปเวลาเดินจงกรมเสร็จแล้วนะตอนหัวค่ําออนุญให้เดินจงกรมก่อนนะพอเดินจงกรมเสร็จแล้วนะ เวลาเดินยองกรมนั่นนะ่ะให้ปรนมมือขึ้นระหว่างอกซะก่อนให้เราดูกําหนดเส้นทางว่าเส้นทางที่เราจะเดินนะ่อย่าให้มันสั้นนักถ้ามันสั้นนักมันเวียนชีสาอย่าให้มันยาวนักถ้ามันยาวมักพวกมแมลงปองพวกตะขาบ พ, พวกอะไรมันเดินผ่านได้เร็วมันมันผ่านได้เราต้องอย่าให้มันประมาณสัก10บยหรือยสิ้าเก้าน่ะฮะ เก่าธรรมดาธรรมดาเนี่แหละให้กาหนดเพียงแค่ใ้ทางเรียบราบอจากนั้นถ้าไปอยู่สุดทางจงกรมข้างใดข้างหนึ่งครับจะให้ปน ม, มือซะก่อนเวลาจะเดินจงกงรมปนมือขึ้นระหว่างอกซะก่อนคือไหว้ครูซะก่อนคือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คือการเดินจงกรมไม่ใช่เราคิดได้คิดทำไม่ใช่ว่าผู้ใดใครสอนเรา คือเป็นพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เราได้ศึกษาแล้วคือพระพุทธเจ้าท่านเดินจงกรมศัพ์นี่คือเดินจงกรมคือเป็นศัพท์ของพระพุทธเจ้าจากนั้นเรายืนขึ้นแล้วก็ปนมมือแล้ววาง อ, อกไหว้ครูสะก่อนพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆสจบจากนั้นเราจะแผ่เมตตาอีกก็ได้ข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุข ข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นจงเป็นสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปราถนาทุกๆดวงใจทุกๆดวงวิญญาณด้วยเทอเนึกในใจอย่างนั้นไอ้ข้าวาทำใจของเราเนี่ยอ่อนโยนอ่อนน้อมไม่เป็นพิษเป็นภัยกับสรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วไตรโลกธาตุให้อภยัยให้มีความสุขทั่วนหน้ากันจากนั้นก็เอามือลง พอมือตรงประสานมือขวาทับมือซ้ายนะแต่อย่าไปเอามือไว้ในระหว่างท้องน้อยท่านว่าอยากไขวแขนนะเดินยองกลมอย่าไปไขวยแขนไขว้แขนใครเข้าดถ้าไม่เคารพเดินธรรมดาถ้าเอามือกอดอกมันลักษณะเจ้าทุกคนทุกคนควมีทวนทุกในใจทุกระทมในใจถ้าเอามือกอดอกถ้าเอามือไขว้หลัง เหมือนเหมือนทานนักเลงหลวงปู่ลาดครูบาอาจารย์ท่านสอนอย่างนั้นหลวงปู่มั่นท่านสอนอย่างนั้นให้มือประสานในระหว่างท้องน้อยแล้วก็เอามือขวาทับมือซ้ายแล้วก็ก้าวขาขวาพุแล้วก็ขาซ้ายโถพดธโถพุทธโถพุทธโถอย่าไปเดินช้าแต่อย่าไปเดินเร็วเกินไปเดินตามปกติแต่ให้มีสติสัมปชัญญะในการเดิน ในการก้าวเดินนั้นอันนี้เราวิธีเดินยังกลมเดินเดินเดินนานจนเหนื่อยแต่ล้มพ่อเนี่ยสมัยเป็นน้อยหนุ่มเดินยังกลมตลอดคืนยังเดินนะเออเดินเดินทดลองด้วยล่ะเดินตลอดทั้งคืนจนรู้ได้ว่าโอ้ฝ่าเท้าเนี่ยเกือบจะทะลุเลยล่ะเอฝ่าเท้าบางเลยจนเห็นจะมองเห็นน่ยจะมองเห็นเลือดเน่ยสีแดงนลยแต่มันไม่ทะลุนะเออโอ้เท้าบาง แต่มันก็แปลกกิมมันกัรนั่นนะ่ะพอกลางวันพอตกตอนเย็นมาหนาอีอย่างเก่าอีกเออหนาหนังเท้านี่หนาเอองอกเร็วแล้วเกินนะเอขนาดมันมเช้าเนี่ยมองมองเห็นเลือดเนี่ยเออไข้าขาวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยในฝ่าเท้าพอตกตอนเย็นมาเออฝา่ฝาเท้าหนาขึ้นอย่างเกา่าแสดงว่าฝ่าเท้าเดินไปเท่าไหร่ก็ไม่ไม่ไม่ขาดไม่ทะลุเพราะมัน มันขึ้นเร็วมันงอกเร็วนะ่ะนี่แหละหลวงพ่อก็เคยเดินแต่แลราพวกเราจะเดินกี่นาทีกี่ชั่วโมงกี่นาทีอย่างน้อยก็อย่างได้สักสิบยี่สิบนาทีก็ดีนะหลวงพ่อว่านะพอเดินโยงกรมเสร็จแล้วไปสุดหยุดอยู่ท่านสุดทานโยงกรมข้างใดข้างหนึ่งปนมมืออีกเหมือนกันปนมมือขึ้นในระหว่างอกแล้วก็แผ่เมตตาทิ้ง ข้าพเจ้าได้เดินจงกรมเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บําเพ็ญ น, นี้ขอให้เป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนบิดามารดาปูา่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญคอยห้ข้าพเจ้าขอจงมีแต่ความสุขกายสุขใจอย่าไม่ไอย่าได้มีอุปสรรคหน้านับประ ก, การ นี่แหละอันนี้ก็คือตั้งกิตให้ที่ฐบุด้วยบุญด้วยกุอลของเราคุ้มครองเรานะจากนั้นก็ออกจากออกจากทางเดินจงกลมจากนั้นเวลาล้างจะมาที่นะ่ะหลวงปู่ท่านก็สอนเห็นพอขึ้นไปให้ล้างเท้านะล้างเท้าให้สะอาดเช็ดให้แห้ง เ, เสร็จแล้วก็ขึ้นไปก็ราบกราบที่หมอนของเราเราหันศีรษะไปทางไหนถึงจะมีพระพุทธรูปไม่มีพระพุทธรูปไม่เป็นไรพระพุทธ พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจของเราหลวงปูธธ่ท่านสอนเนี่ยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจของเราไม่ได้อยู่ที่เอื่นแล้เรานึกเรานึกระลึนกลนึกถึงพุทโธธ ร, รมโมสังโฆอยู่ในใจของเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรากราบกราบที่นี่กับพุทโธกราบครั้งที่สองกับธรรมโมไม่ใช่กราบสามครั้งเฉยๆนะกราบพุทโธก ร, ราบธรรมโมกราบสังโฆปนมมือขึ้นระหว่างระหว่างศีสาร ร, ระหว่างคิ้ว อยกมือใส่ระหว่างคิว้วนิพพานังข้าไปเจ้ากราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์กราบหวังพระนิพพานไม่ได้กราบเล่นๆห ล, ล, ล, ลอกๆกราบธรรมดาเฉยๆกราบหวังพระนิพพานเพื่อพ้นทุกในวัฏสงสารจากนั้นพอกราบเสร็จแล้วเราจะไหว้พระลาหังสวาขาโตสุปฏิปโนโนโมตัสสะพุทธังธรรมังสังขังกระสุดแท้แต่เราจะสวดอะไรได้ท่านก็นไม่ได้เน้น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 จะไม่เป็นพิษเป็นภัยกับผู้ใดเราจะเป็นเพนเสียแต่บาปกรรมเก่าของเราแต่บาปกรรมใหม่จะไม่เกิดขึ้นเพราะเรามีเมตตาต่อสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจากนั้นก็เมื่อเราแผ่เมตตาเสร็จแล้วเราคนนั่งขัดสมาธิแต่แต่เวลาเราอยู่ในถ้าเราก็หันหน้าออกทางทางหน้าถ้ำนะ อย่าไปหันหน้าทางเข้าไปทางก้อนหินหันหน้าออกมาข้างนอกถ้าเราไปอยู่กับต้นไม้ใหญ่แล้วก็หันหน้าพิงเอาหลังพิงต้นไม้เอาหน้าออกมาข้างนอกอย่าไปหันหน้าเข้าทางหน้าผาทางที่มืดอันนี้ท่านสอนนะจากนั้นเมื่อเสร็จแล้วเราก็เอาขาขวาทับขาซ้ายอพอขาขวาทับขาซ้ายแล้วก็ปรนนมือขึ้นระหว่างอก พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสมจบจากนั้นก็แผ่เมตตาข้าพรเจ้าจงสุขผู้อื่นจงเป็นสุขนึกในใจ อ, ออกมาจากใจจริงาจากนั้นก็เอามือลงอพอมือลงจากนั้นก็หายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโธพุทโธพุทโธพุทโธ แต่อย่าไปเกรงอย่าไปกลึงอย่าไปแต่งลมให้เป็นธรรมชาติที่สุดเวลาหายใจเข้าหายใจออกเพียงแต่ให้มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกเพราะพระพุทธเจ้าได้ตัดรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคลนต้นโพในวันเดือนหกเพนนั้นนะพระองค์ก็กำหนดลมหายใจเข้าออกนี่แหละคือกรรมฐานของพระพุทธเจ้านะ หายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าหายใจออกนั้นแต่ถ้าได้มาถึงหลวงปู่มั่นของเรา ต, รต้นตระกูลของพระกรรมฐานพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านบอกว่าถ้ากำหนดแต่ลมหายใจเข้าหายใจออกเฉยเฉยมันหลดุดมันหลดุดมันหลงมันลืมมันหลงส้นได้ง่ายเพราะนั้นควรจะสาทัพพุทโธเขาด้วยนะ หายใจเข้าบริกรรมพุทธหายใจออกบริกรรมโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนี่แหละอันนี้คือความเป็นมาของพทุทธโธของออพวกสายของพวกเราสายพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะเป็นหลวงปู่หลวงตาองค์ไหนก็เถอะถ้าเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่มั่นแล้วท่านจะสอนให้ภาวนาพุทธโธด้วยกันทั้งนั้นคือส ม, มสถะเนี่คือจะทําจิตใจให้สงบเนี่ยเป็นพื้นฐานเบื้องแรกท่านจะกําหนดให้ลก ให้ภาวนาพุทโธแต่ถ้าว่าพวกเราภาวนาพุทโธมันยังหลงลืมเออมันยังเผลอได้อยู่ให้พุทโธทีทีนะว่าน่ะให้ทีทีเข้าไปเอขณะจิตที่เราคิดนึกคิดนึกคิดนึกคิดตรงนั้นล่ะเอาพุทโธลงจุดนั้นแหะจุดที่มันนึกคิดแต่พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอย่าให้มีช่องว่างเออให้มีสติอยู่กับลมหายใจดูกับพุทโธตัวนึกคิดตัวนั้นอะ อันนี้ก็คือภาวนาพุทโธแต่หลวงพ่อเองเอมาศึกษามาปฏิบัติดูอย่างที่หลวงพ่อเคยปฏิบัติมากับตันเองอมันออกไปช่วงไหนว่า เ, เวลาเราออกมันทำไมมันเปลอวับตั้งจะตีขึ้นมาขนาดไหนวันยังเปลือบวับแต่ในหลวงพ่อลองนับดูเถิดนะ หายใจเข้านับหนึ่งให้ใ ห, ใ ห, ใหาใจออกนับสองให้ใจะเข้านับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนับไปถึงร้อยถ้าไม่เผลอนะอ่ะถ้ามันเผลอจุดไหนถ้าไม่ถึงสิบนับก็กลับมาหนึ่งหนึ่งใหม่อีกอย่าไปนับต่อเราจะได้รู้มันใจของเรามันเผลอจุดไหนฮเอมันเผลอเร็วนานขนาดไหนจากนั้นก็พุทโทรอ่าพอมันเผลอขึ้นมามันจะเบอะเบอะก่อน่ะนะ โปรเบิร์มันก็เผลอแป๊บมันเผลอมันเผล อ, ผอได้อย่างไรเวลาหายใจเข้านับหนึ่งเป็นเลขขี่ใช่ไหมหายใจออกนับสองเป็นเลขคู่ขี่คู่ขี่คู่ขี่คู่ไปถึงร้อยใช่แต่มันจะเผลอมันจะเบอร์เบอร์จะมันเพลอเบอร์ใช่ไหมันจะคู่ขี่ได้ไงมไม่ใช่ขี่คู่นะมันคู่ขี้ท่าน ถ้ามันโค้งแค่จะแสดงว่าโอ้เราเผลอแล้ววะเมื่อกี้เนี่ยเอากลับมาหนึ่งไม้อีกนี่แหละอันนี้ก็คือวิธีการดูตนเองว่าสติสัมปชัญญะของเราจะดีขนาดไหนแน่นหนามั่นคงขนาดไหนถ้ามันนับไมถึงเท่าไหร่เผลอเอาเผลอเอาเนี่ยอย่าไปชราใจนะนี่แหละ อ, อโรคอ อ, อันเซเมอร์ที่กําลังจะเข้ามาหาเราคืบคานเข้ามาหาเราได้ไ ง, งา่ายๆเพราะฉะนั้นให้พวกเราตั้งสติสัมปชัญญะให้มั่นคง ฝึกหัดให้จติตอยู่กับตนเองให้มากนี่แหละนี่ี่คือวิธีการนั่งสมาธินะแต่การนั่งสมาธิกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาท่านสอนท่านบอกว่าให้เรายืนเหมือนเรายืนอยู่ทางเข้าประตูเข้ามาเนี่ยนะประตูเข้าห้องให้เราเหมือนกับเรายืนอยู่ที่นั่นเวลาคนออกไปเราก็รู้ว่าคนออกแต่ไม่ต้องตามคนออกไป เวลาคนเข้ามาในห้องก็ไม่ต้องตามลมเข้ามาในห้องให้เรารู้ว่าคนเข้าคนออกคนเข้าคนออกเท่านั้นเองนี่ก็เหมือนกันให้สติของเราอยู่ที่ปลายจมูกเวลาลมเข้ามาก็ไม่ต้องตามลมเข้าไปในท้องเวลาลมออกไปก็ไม่ต้องตามลมออกไปให้มีสติสว่ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกเนีเวลาลมเข้าบริกรรมพดเวลาลมออกบริกรรมโท นี่แหละวิธีการกำหนดลมหายใจเข้าออกนะักนัตาญายาโยมทุกๆท่านอันนี้คือกรรมฐานเบื้องต้นที่พวกเราจะต้องฝึกนะไม่ใช่ฝึกวันเดียววันเดียวสองวันนะฝึกเรื่อยๆไปเรื่อยๆเลย เ, เรื่องการสมาธินี่ไม่ใช่ว่า เ, เป็นครูบาอาจารย์แล้วจะไม่ภาวนาไม่ใช่นะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้บอกได้เลยนะสงฆ์ทั้งหลายสงฆ์ทั้งหลายบอกว่าตถาคต อยู่ด้วยวิหารธรรมอะไรให้บอกได้เลยว่าอยู่กับอาณาปานสตินะขนาดพระพุทธเจ้าท่านยังอยู่ด้วยอาณาปานสติคือกำหนดลมหายใจเข้าออกอันนั้นคือวิหารธรรมกี่เป็นเครื่องอยู่ของพุทธเป็นที่อยู่ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อีกเหมือนกันเพราะนั้นการภาวนากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออก เป็นแนวแถวของพุท ธ, ธเป็นแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเรานะรหนะาคณะทศาทายญาติโยมแต่ตอนนี้ผลแห่งการนั่งสมาธิต่อไปจิตใจของเราจะเข้าสู่ความสงบนะจิตใจจะกดสงบนิ่งเอ่อมันจะที่แรกมันจะไม่นิ่งทีเดียวมันจะเหมือนกับตกเหวตกบอ่อแล้วมันภาพมันเย็นมีความรู้สึกพอกาหนดนิ่งนิ่งน่ง น, งน่งเข้าไปเออลก็สงบ พอํำรวเรามีสติอยู่กับตัวของเรามันจะมีความสงบเย็นเย็นว่าบแต่ว่าคำว่าเย็นว่าบคราวนี้น่มันเย็นผิดปกติไม่เคยมีมาก่อนเลยในการนั่งสมาธิและการเป็นอยู่ของเรามีความสุขใจอย่างมากพ อ, อกเออมาเออใจของเรามีความสุขเอิบ อ, อิ่มจริงๆเพียงแต่จิตใจเข้าเหมือนกับ น, นอนหลับหรือเหมือนกับเผลอไปอย่างนั้นแะ แต่ทำไมจิตใจของเราจึงมีความสุขเย็นอย่างนี้เนะนี่ยนี่แหละอันนี้เราคณิกะเริ่มเริ่มเข้าสมาธิแล้วนะที่นะี่คณิกะสมาธิคือสมาธิชั่วคู่ชั่วขณะหนึ่งอันนี้คณิกะอุปจาระอุปจาระนี่คือ เ, าเรากําหนดเราไม่ได้ลดละ อ, อถึงยังไงเราก็กําหนดลมหายใจเข้าหายจอกสติของเราเนี่ยตามลมออสติของเราตามตัวผู้รู้ผู้รู้คือใจของเรา เพราะเราจับเอาสติเอาสติจับตัวผู้รู้นะที่จับให้มีสติอยู่กับตัวเองแต่ทีนี้พอจากนั้นสติของเรากอยู่ในตัวกับตัวผู้รู้ตัวผู้รู้ตัวนักคิดมันคิดเรื่องอะไรกันสติของเราตามตามดูตัวผู้รู้เเราคิดเรื่องอะไร เ, เมื่อสติอยู่กับตัวเอง จ, จิตใจจะไม่หิวไม่โหว่วอไม่ปรูงไม่ฟุ้งไปทางอื่นน ะ, จ, ะจิตใจในเน่งดู เออแต่มันยังไม่สงบนะเออมันยังได้ยินเสียงอยู่แต่ว่าใจไม่ส่งไปตามเสียงไม่ส่งไปตามเสียงที่ได้ยินมาแต่เรู้จากตาวเสียงเออเข้ามาในในหูของเราเออแต่เรารู้ว่าเรานั่งอยู่ที่ไหนเอนอฝนตกก็รู้ว่าฝนตกเสียงอะไรมาเราก็รู้ว่าเสียงอะไรมาแต่ว่าไม่ได้ส่งไปแปลว่ารับรู้เท่านั้นเอง แต่สติกับจิตยุบดูอยูด่ด้วยกันเอออันนั้นคืออุปจาระตัดลงไปเน่งลงไปกว่า น, นั้น อ, อีกเนี่ยเอมันดิงวบลงไปอีกอันนี้เป็นจิตตัวเอกขคตาเอกข ะ, ขา ต, าขะขาตาจิตคือจิตกับสติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจิตเป็นอะไรปิดจิตเป็นนั้ น, น, นสติเป็นอะไรจิตเป็นนั้ น, น, นสติกับจิตเน่งอันเดียวกันอันนี้แหะคืออุปอปปนาสมาธิ แต่ว่าสูงสุดของสมาธิมีอยู่เท่านี้แหละที่เป็นอัปปนาจากนั้นใจก็ถอนขึ้นมาเป็นอุปจาระแต่ถึงยังไงก็เถอะเรามั่นใจเราโอ้ที่พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสไว้ว่านัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเราได้ลิ้มลดแข่งความสงบแล้วมีความสุขจริง ออพระพุทธเจ้าท่านทําไมจึงสอนสอนได้สอนธรรมะออท่านรู้ได้ยังไงท่านสอนยังไงเนี่เราเราระลึกถึงบุญคุณของพระพุทธเจ้าในนะาทีนี่นะนี่แหล ะ, ะจาะนั้นจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบเพราะจิตใจสงบ เ, ออเป็นหนึ่งท่านี่แหละเราจะรู้รู้ได้อีกว่าร่างกายนี่เป็นอันหนึ่งจิตใจนี่เป็นอันหนึ่งรูปประธรรมกับ น, นามธรรมเนี่ยแยกกันได้ชัดเจนอีกต่างหากท่นี่รูปประธรรมคือร่างกายนามธรรมคือจิตใจ นมามมธรรมคือตัวไม่ตัวนมามมธรรมคือมองไม่เห็นคนนามมธรรมมองไม่เห็นแต่ร่างกายของเราเนี่ยนั่งอยู่นี่เนี่ยมองเห็นแต่นมามมธรรมความนึกคิดตรงนั้นอนะ่ะไม่มีใครรู้ใครแต่เราเพอเป็นสมาธิเข้ามาเท่ารู้อะไรีโอ้นามมธรรมมันอยู่ในร่างกายมันอาศัยกันอยู่กายกับใจอาศัยกันอยู่กายเนี่เหมือนกับรถเนี่ยจิตใจเหมือนกับคนขับรถคนขับรถกับรถเนี่ยรถจะไปได้ต้องอาศัยคนขับ นี่แหละเรารู้ได้แยกได้ชัดเจนว่าโอเา้เมื่อเขาเมื่อคนตายไปแล้วเนะ่ะเมื่อคนตายร่างกายแตกตายไปนี่แหละนํมามธรรมตัวตัวนี้แหละตัวใจตรงนี้แหละที่มาอาศัยอยู่ในร่างกายเนี่ยนะตัวนมามธรรมตัวนี้ไม่ตายยืนยันได้เลยว่าไม่ตายตัวนี้เอามันเป็นอีกส่วนหนึ่งอีกเหมือนกันนี่แหละตัวนี้แหละมายึดปฏิสนธิในร่างกายยึดว่าร่างกายเป็นตัวตนของเรา พอร่างกายแตกตายสลายลงสู่ดินน้ํำลงไปใจของเราก็แยกออกจากร่างกายไปไปิปฏิสนธิในภพภูมิภพภูมิอีกไปหาเกิดอีกพ้นง่ายๆเอยแต่ทีนี่สุดแท้แต่ใครจะมีบุญมีกุศลถ้าจิตใจตรงนั้นเป็นบุญเป็นกุศลมีบุญมีกุศลทําแต่กุศลใจตรงนั้นขอบเต็มไปด้วยกุศลไปเกิดเลือกเกิดได้เพราะคนมีบุญทนะ่ะาทางว่าเราไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลไว้ใจที่มีบาป ออกจากร่างนี่เราก็ไปตกนรกเพราะทาบาปไว้ไปเกิดเป็นสัตว์ที่ฉานไปเกิดทั้งหมดไปได้ทั้งหมดใจตรงนี่นะไปติดไปข้องอยู่ที่ใดไปเกิดได้ทั้งหมดเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ฝึกเอาไว้ให้นั่งภาวนาฝึกเอาไว้ก่อนที่จะตายให้อยู่กับพุทธโธหรือให้อยู่กับให้มีสติสัมปชัญญะ อ, อให้นึกถึงคุณงามความดีของตอนเองนั่นแหละเราจะไปได้ไปจะไปได้ดีไปทางดี ถ้าเรานึกไปทางที่ชั่วนึกไปทางที่ชั่วคิดไปทางที่ชั่วใจของเราจะตกต่ำในช่วงนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องการฝึกสมาธิ เ, เป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญสําหรับพวกเราทุกๆท่านนะนี่แหละการบําเพ็ญเรื่องศีลเรื่องสมาธิสมาธิในหลวงพ่อได้เรียงลาดับให้ฟังที่ได้เรียงลําดับให้ฟังนะั่นคืออันนี้เรียกว่าสมาธินะตอนี้พอจิตผ่านความ เป็นสมาธิแล้วจะเดินวิปัสนาเนี่ยนะนะคำว่าวิปัสนาคํานี้เนะี่ยมันออกจากสมาธิเนี่ยนะสมาธิก็คือทําจิตใจให้สงบส่วนวิปัสนานั้นคือแยกแยะนะแยกแยะร่างกายของเราอย่างที่พวกเราสวดเมื่อกี้เนะี่ยอายังโค้ายอวกายของเรานี่แหละอุดทางปาทศราเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมานะจน อแต่จากปริยันโตมีหนังคุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี่หละร่างกายของเราเนี่ยใจของเรามันหลงร่างกายท่นี่อไม่ใช่หลงอยากอื่นหลงร่างกายในเมื่อเรามาแยกส่วนแบง่งส่วนของร่างกาย เ, เหมือนกับหมอเขาแยกชําแหลร่างกายให้เป็นอาจารย์ใหญ่ลักษณะอย่างนั้นดูอันไหนเป็นอะไรแต่หมอเขาดูเขาดูร่างกายเขาดูปันดูเส้นประสาทดูเส้นเลือดดูอะไรแต่ เพราะพ่อทาเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยดูให้เกิดความเบื่อหน่ายว่าร่างกายสังขารมันเป็นอยู่อย่างนี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอน้าตาปินดินน้ำลมไฟผสมประสานกันอยู่อีกสักวันหนึ่งว่ามันจะต้องถึงจุดจบกองมันมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนใจนามธรรมานะใจจะไปหลงร่างกายนะใจของเราเนะีย่ยจะหลงหน้าร่างกายนะอีกสักวันหนึ่งนะมันต้องต้องแยกกันแน่ๆนะกายกับใจนะ ในเมื่อเราพิจารณาดูเห็นกายเห็นใจในเมื่อเห็นกายแล้วก็เห็นใจเมื่อเห็นใจเราก็เห็นร่างกายเ อ, อจากนั้นเรารู้ว่าร่างกายมันเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอีกสักวันหนึ่งต้องแตกสู่สลายของมันจากนั้นใจของเราจะไม่หลงจ ะ, จะไม่หลงร่างกายถึอถ้าไม่หลงร่างกายเท่านั้นแหละ ยดถาบรรดาศักดิ์ความมั่งมีสีสุขทุกงหลายทั้งหลายทั้งปวงน่ะจะไม่หลงแน่เธอเนี้่ย เ, เพ่อะอะไรเพราะว่าแต่ร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราอีกสักวันหนึ่งมันก็จะไปอยู่แล้วแต่สองอย่างอื่นเป็นของอาศัยชั่วข่าวตรงนั้นนะใจนะ <c oughs> อย่าให้ความสําคัญจนเกินไปนะใจนะอย่าให้ทุกข์เกินไปนะใจนะอใจสอนใจใชธนี่ย น, น, นี่แหละนี่แหละหลักธรรมความสอนของพุทธะ สรุปแล้วก็คือมโนปุพังขมาธรร ม, มามโนเศรษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วร่วใจมรรคผลนิพพานไม่อยู่ในที่ไหนนะศรัทธาญาติโยมอยู่ที่ใจผู้ใจตัวตกนรกบกไหมใจพาไปอีกเหมือนกันเพราะนั้นท่านจะให้ดูให้มีสมาธิในการดูใจให้ดูดูใจจะให้มันคิดปรุงฟงไปในทางอคุศลเออ สิ่ไหนที่เป็นอคุศสไปทางบาปคิดเบียดเปลี่ยนคิดฆ่าคิ ด, ด ค, ด ค, ค, ด, ค, ด, ค, ด, คดคิดโกคิดโกงคิดที่ไม่อยู่ในศีลในธรรมท่ะเป็นบาปอกุศล่วเพราะฉะนั้นให้เราพวกเราทุกๆท่านนะได้อยู่เมืองอุดรเป็นเมืองพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นเมืองศีลเมืองธรรมตั้งแต่หลวงปู่หลวงตาเจ้าคุณธรรมเจดีมาจนถึงยุคนี้สมัยนี้พวกเราน่าจะภาคภูมิใจนะพวกเรามาอยู่ ใกล้พอแม่ครูบาอาจารย์และศึกษาต้องศึกษาธรรมะรมคําสอนของท่านจากนั้นเรานํามาประพุติปฏิบัติความร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นกับพวกเราทุกๆ ท, ท่านอยู่ที่ใดก็มีแต่สุขกายสุขใจนะถึงจะทุกข์ร่างกายเป็นทุกข์แต่จิตใจของเรามีความสุขเอาละเพียงแค่นั้นเราพอแล้วทวาจิตใจของเรามีความสุขร่างกายมันจะเป็นยังไงก็ตามสภาพของมัน่หละนะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะการกล่าว สมโตมดธนิยคาถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระศีรัตนัไรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้มาคุ้มครองกนัตธายาติโจงทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความ เ, เย็นใจความสุขความเจริญทั้งคดีโลกและคดีธรรมปลาถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ข อ, ขอให้สมหวัง ดังปราถนาทุกๆ ท, ท่านทุกๆคนด้วยเทอินเออคณะทาญาิโยมนอะรับพรเนอนะขนาดรับพรไม่ว่าเราจะไปนัสถานที่ใดเมื่อพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรให้พวกเราลำลึกถึงออพะกคุณของพวกเราคือพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามาปู่ย่าตายายวงศาคนาญาติญาติมิตรสหาย ถ้าว่าท่านผู้ใดตกทุกข์ขอขอให้พ้นจากทุกข์ถ้าว่าใครมีสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขจริงๆขึ้นไปถ้าหากว่าผู้ยังมีชีวิตอยู่ขอขอให้เจริญยิ่งด้วยลาบยศสรรเสริญสุขนะ เ, ะเรานึกในใจอย่างนั้นเวลาพระสงฆ์ให้พรทุกครั้งนะเพราะเป็นพรของพระพุทธเจ้าที่พระสงฆ์ครูบาอาจารย์ได้กล่าวขึ้นมานี่ยคือเป็นพรของพระพุทธเจ้า ปิดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าประทานพรมาอย่างนี้นะพระสงฆ์ก็ได้นำพรของพระพุทธเจ้ามาให้พรกับคณะทศไทาญาติโยมทุกทุกท่าน